พระธรรมเทศนาแผ่นที่56ลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่25หตุลาคม2556นห้าบณบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีมีชื่อเรื่องว่าคุณยายเที่ยงสังขารก็ยังไม่เที่ยง ก่อนที่จะสมาทานศีลหลวงพ่อไปนัถานที่ต่างๆนะขอพูดว่าเป็นหลวงพ่อก็แล้วกันนะคณะฐาญาติโยมถ้าหากว่าผู้มีอายุสูงกว่าก็ถือว่าเป็นญาติธรรมญาติโกโหติกาพ่อแม่พี่น้องจัตธายาติโยมมีหลายระดับ ถ้าหากว่าเป็นปู่ย่าตายายก็คงจะได้รับการศึกษาดีแล้วหลวงพ่อเองก็ไม่อยากจะสอนอไม่อยากจะแนะนำไม่อยากจะกล่าวแต่ถ้าหากว่าเออไม่เคยได้ฟังไวอ้อันนี้ก็คือธรรมะธรรมะหลอดป่อง อ, อ, อ, อันนั้นอีกส่วนหนึ่งแต่หลวงพ่อเองอยากจะสอนรุ่นน้องๆลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังรุ่น เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังนี้หลวงพ่ออยากจะสอนบอกกล่าวรุ่นนี้เพราะว่าแต่บางท่านก็อาจจะรู้กว่าหลวงพ่อก็มีเพราะได้รับการศึกษาทางเข้ามาทางปริยัติธรรมมหาพเพียรอย่างนี้เป็นต้นแต่แต่บางท่านบางคนก็ไม่ได้ได้รับการศึกษาเพราะ เกิดใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เข้าโรงเรียนแล้วก็รับราชการแล้วก็ไม่ได้สนใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหลวงพ่อก็อยากจะแนะนำท่านเหล่านี้แหละที่ยังไม่รู้ว่า น, นั้นเรื่องศีลห้าหลวงพ่อไปนัถานที่ต่างๆเวลาคณะทายาิโยมอารัธนาศีลอย่างเมื่อกี้นี่แหละม่อย่างพันเตขึ้นมาประธานสงก็จะให้ศีล เสร็จแล้วก็จับตรัพปัดขึ้นมาแล้วก็พูดใหม่กับ น, นะโมตัดสะภควัโตก็นํำสมาทานศีลแต่หลวงพ่อเองไปนักสถานที่ต่างๆเห็นอย่างนี้อย่างมากเกือบทุกงานแต่หลวงพ่อก็มาพิจารณาดูว่าลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังนี่ถ้าหากว่าไม่ได้รับการได้ยินได้ฟังการแนะนำเรื่องของศีล และโรคหลานเหล่านี้จ ะ, ฉะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้โดยที่ไม่ได้ยินได้ฟังหลวงพ่อก็มองไม่เห็นอีกเหมือนกันเพราะว่าหลวงพ่อเองเมื่อสมัยเป็นเด็กก็ไปอยู่กับองค์หลวงปูล่ลาท่านก็แนะนําสั่งสอนบอกแล้วบอกอีกหลวงพ่อจึงได้จดจาําแนวทางแนวความคิดของของหลวงปู่หลวงตาจากนั้นก็ได้มาศึกษาองค์หลวงตาต่อเติมขึ้นมาเพราะนั้นหลวงพ่อเองเลยอยากจะบอกกล่าวว่า เรื่องศีลห้าอย่างเมื่อกี้เนี่ยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายอาราธนาศีลไม่อย่างพันเตวิสูงวิสูรคานัตถายะติสรเนนสหะแต่บางครั้งก็ว่าม่อย่างพันเตเติสรเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะทําสมาทานศีลเหมือนกันรักษาศีลห้าเหมือนกันทํำไมจึงอาราธนาจึงมีสองมีสองอย่าง ศีลมีสองมาตรฐานหรือไม่ทําไมจึงมีศีลสองอย่างจึงอาราธนาศีลสองสองอย่างแต่รักษาศีลห้าเหมือนกันแต่ตามไม่จริงมีความหมายนะคันนัตถายาโจลูกลานคือมะยางพันเตวิสูงวิสูงรักนัตถายะก็คือพวกข้าพรเจ้าขอสมาทานศีลเป็นข้อข้อถึงห้าข้อเป็นข้อข้อถ้าหาว่าข้าพรเจ้าล่วงละเมิดศีลข้อที่หนึ่ง คือฆ่าสัตว์ศินข้อที่หนึ่งก็ตกไปก็ยังข้อที่สองถ้าหาว่าเราละเมิดข้อที่สองยังข้อที่สจนละเมิดทุกข้ออันนั้นแปลว่าจบอันนี้วิสูงวิสูงขอแต่ละข้อละข้อแต่มาอย่างพันเตติสระเนนะจหปัญจเนี่ยแค่ข้าว่าข้าพรเจ้าขอรักษาศินห้าหัวสมาทานสินห้ารวมกันทั้งห้าข้อแต่ว่าขาดข้ออะไรข้อหนึ่งก็แปลว่าขาด ขาดทั้งหมดทั้งห้าข้อเพราะว่าเรารักษารวมกันแต่ตามไม่จริงถ้าให้หลวงพ่อเลือกเนี่ยหลวงพ่ออินเลือกเนี่ยหลวงพ่อก็จะเลือกนี่แหละเอาศีลปัญจศีลาเนี่ยรวมกันทั้งห้าข้อเลยจะรักษาให้บริสุทธิ์ผุดผ่องที่สุดเพราะรักษาศีลทั้งทีต้องรักษาให้ยืนยาวและบริสุทธิ์เมื่อใ น, นสงสินศีลได้มา สีเลนะสุขติงยันติสีเลนโพก็สัมปทานสีเลน ะ, ะ, ะนิพนะุติงยันติจะได้ความสุขจะได้โพคะจะได้พรนิพพานก็ได้ให้เต็มเปี่ยมพร้อมกันไปเลยไม่ต้องขยึกขยักนะไม่จ้องทีละห้าสิต่างทีละสลึงเพราะฉะนั้นไมยางพันเตติสรเนศสหาหปัญจคือรวมกันไมยางพันเตวิสูงวิสูงแปลว่าทีละข้อละข้อนะอันนี้คือขออารัธนาศิทธ จากนั้นพระประธานสงฆ์อย่างหลวงพ่อวันนี้แหละหลวงพ่อจะตั้งนาโมเลยนาโมตัสสะพระเขาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอะรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันนี้คือนาโมเราทำไมจึงกล่าวนาโมเพราะว่าศีลห้านี่ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดใครผู้หนึ่งเป็นของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็น เสยามภูเป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นผู้บัญญัติสีห้าให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับฟังได้ศึกษาแล้วเราพอใจว่าศีลธรรมของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์จริงเพราะฉะนั้นเราจึงนอบน้อมบรมวครูคือต้นศาตตาต้นศาสนาต้นความคิดเราจึงกล่าวนะโมตัตสระภควัโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสระ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทมีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นจากนั้นก็พุทธทางธรรมังสังขังสระนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสาระเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองเป็นผู้บัญญัติพระธรรมคำสอน8ปดหมสีพันพระธรรมขันและศีลห้าเนี่ก็คือพระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมา อันนี้คือพระธรรมคําสอนสังขังคือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าได้นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศมาเผยแผ่ให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพราะฉะนั้นพวกเราจึงถือว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีเป็นผู้มีคุณอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเราจึงยึดถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึง่งจ่อว่าพุทธทางธรรมังสังขังสระนังคัฉามิ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 การฆ่าคนเราไปฆ่าเขาก็ไม่เป็นไรเพราะเราไปฆ่าเขาแต่เมื่อเขามาฆ่าเราล่ะฆ่าพ่อแม่พี่น้องวงศาคณะญาติของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเราไปฆ่าเขาล่ะเขามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเขามาฆ่าเราเรามีความรู้สึกอย่างไรในหลักศีลธรรมของพระพุทธเจ้าให้เอาหัวใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน อันนี้คือสินข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินาทานาเวรมณีอย่าไปขโมยของคนอื่นเขาถ้าเราไปขโมยของเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาขโมยของเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันถ้าเราไปขโมยพ่อแม่พี่น้องของเขาไปเรียกค่าถ่เขาก็เสียใจถ้าเขามาเรียกเอาพ่อแม่ของเราไปเรียกค่าไถ่เราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะ น, นั้น อย่าขาโมยซึ่งกันและกันให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันต่างคนก็ต้องรักสงวนห่วงเหนของใครของเราข้อที่สามกาเมสุมิทสาจาราวเวรมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครเขาก็รักสงวนห่วงเหนของเขาถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำเราละ่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้คือศินข้อที่สข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณี อย่าไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปต้มตุนหลอกลวงโกหกเขาเขาก็เสียจายถ้าเขามาต้มตุนหลอกลวงเราก็เช่นเดียวกันอันนี้คือศี่ข้อที่ส่ข้อที่ห้าสุราเมรยมมามชักพมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทถ้าพวกเราดื่มสุราคัญชายาฝิ่นเฮโรอีนถ้าเราดื่มเสพเข้าไปแล้วขาดสติ เมื่อคนขาดสติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างเพราะขาดสติฆ่าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้ล่าลาบระลวงสามีภรรยาของใครก็ได้โกหกต้มตุนหลอกลวงใครก็ได้เพราะขาดสติเพราะฉะนั้นเมื่อคนขาดสติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าการที่จะมีกฎกติกาในโลกมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะ ต้องเป็นผู้มีศีลเพราะพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติศีลห้าข้อให้กับพวกเราท่านทั้งหลายปฏิบัติเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษาด้วยซิว่าการกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลนะว่าศีลห้าของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์จริงถ้าว่าพวกเราทุกท่านมีศีลห้าแล้วโลกทั้งโลกก็จะ ส, สงบร่มเย็นเป็นสุขท่วนหน้ากันเพราะฉะนั้นพวกเราเออมีงาน อย่างงานวันนี้แหละงานศพงานบุญต่างๆเมื่อมีพิธีสงฆ์ขึ้นมาพวกเราจึงไหว้พระแล้วก็จะมาทานศีลเพราะเราท่านทั้งหลายรู้คุณค่าของศีลมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อชุมชนต่อโลกเพราะนั้นบรรพบุพรบุษของพวกเราจึงพาดำเนินหรือว่าพาปฏิบัติมาเวลามีสาธารณพิธีเกิดขึ้นท่านจึงให้ไหว้พระ และก็สมาทานสินอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นเมื่อเรารู้คุณค่าของสินแล้วต่อไปนี้หลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานสินต่อไปนะโมตัสสะปะโคะโอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเยสาธุ พระมาจโลกาทิปติสหัมปติกัดอันเชลีอันทิวลังอายาจาทาสันติทัส ต, ตาประชกขกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังวันนี้ก็ครูบาอาจารย์คณะจัดทายญาติโยมก็ไม่ได้บอกล่วงหน้าไปก่อนว่าหลวงพ่อจะพูดเรื่องอะไร ตอนนั้นจับจุดเลยมันออกมายัางไงก็ฟังอย่างนั้นนะคณะสัตา ญ, ญาติโยมลูกหลานเนอะวันนี้เห็นคณะสัตา ญ, ญาติโยมลูกหลานเข้ามาในงานศพของคุณแม่เที่ยงชัยพันธ์ที่เป็นคุณแม่ของอาจารย์มึกอาจารย์อรไทยอาจารย์จักกะพงชัยยพันธ์อาจารย์ อ, อรไทชัยยพันธ์สองพี่น้องแล้วก็เห็นคณาจาทธาญาติโยมที่ญาติเป็นญาติเพราะท่านเกิดอยู่ที่ตระกูลอยู่ที่บ้านตากหลวงพ่อเองก็ได้มาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาตั้งแต่ปีพศออ .2512 แต่สมัยนั้นหลวงพ่ออายุก็เพียง24ปี 2ี่สิบห้าแต่เดี๋ยวนี้จะเข้าป่าเข้าไปเนะจ็ดสิบนคณะสัตยาญาติโยมมาอยู่ปี 2,512 จนถึง 2,525 ห 25. ยหลวงพ่อไม่ได้จำพรรษาที่ไหนอยู่จำพรรษาที่นี่ตลอดออกจากที่นี่แล้วก็ไปจำพรรษาที่วัดป่านาคำน้อยเพราะนั้นหลงพ่อเองถ้าจะว่ารู้เรื่องของวัดป่าบ้านตาตั้งแต่ริเริ่มก็ไม่น่าจะผิดเหมือนกัน เพราะว่าวัดป่าบ้านตาดก็สร้างมาตั้งแต่ปี 2498-99 อแต่หลวงพ่อมาอยู่2512แปลว่าวัดป่าบ้านตาดสร้างมา10กว่าปีจากนั้นก็ยังมีกระต๊อบให้หลวงพ่อได้เห็นก็คืออาคารที่พักของพระสงฆ์มงยาฝากระดาษปูนซีเมนฝากระดาษฟางก็ให้เห็นหลายหลังที่หลวงพ่อเข้ามา จากนั้นหลวงพ่อก็ได้หลวงปู่บุญมีเป็นประธานเป็นผู้ใหญ่จากนั้นผู้รองลงมาคือหลวงปู่ลีเอ่อแล้วก็จากนั้นก็หลวงพ่อหลวงปัทงพ่อปัญญาหลวงพ่อเชอรี่นะหลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อเชอรี่เนี่ยบวชทีหลังของหลวงพ่อนะอ่อนพรรษากว่าแต่บวชปีเดียวกันหลวงพ่อบวชก่อนท่านสามเดือนเนี่ยแหละหลวงพ่อมาอยู่ที่นี่หลวงพ่อเห็นตระกูลของ อาจารย์จั ก, กระพงษ์ชัยพันธ์อาจารย์ออรไทยเนี่ยคุณแม่เที่ยงจ่าชานหรือผู้กองเทียบเนี่ยหลวงพ่อเห็นมาตั้งแต่ริเริ่มและก็เป็นผู้ไว้เนื้อเชื่อใจจากองค์หลวงตาอย่างมากตระกูลนี้ทุกวันนี้ทราบข่าวก็ยังได้รับจดหมายได้ค่ายว่าคนสมัยนั้นคนทั้งหลายส่งจดหมายมาลานชวลิต ถนนโพสีอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีแต่ทุกวันนี้เปลี่ยนร้านส่งเสริมบริการส่งเสริมนี่แหละขายของเขาก็ส่งมาที่นี่แต่นี่ก็นี่อาจารย์จักกพงนี่รับมาส่งลงตาทุกวันคือรับจดหมายตั้งแต่นู่นแหละแต่สมัยนั้นรถยังไม่มีนี่แหละแปลว่าบ้านของอาจารย์มึก อาจารย์อัณฑไทยนะ่ยพ่อจ่าชาญ น, นี่ยนะผู้กองเทียบเน่ยนะเป็นผู้ได้ลดก่อนเพื่อนทั้งหมดที่วัดปา่าที่บ้านตาดนะจากนั้นท่านก็ซื้อได้รถเจ็บรับสิ่งของเข้ามาถวายองหลวงตาเนี่ยหลวงพ่อเห็นตั้งแต่สมัยยุคสมัยนั้นแหละจากนั้นก็เรื่องจะตกปัจจัยที่ได้มาหลวงตากันนี่ยนะให้เป็นผู้กองเทียบเนี่แหละเป็นผู้ดูแลพระสงฆ์เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลามีอะไร จะไปที่ไหนอย่างไรก็ให้ติดต่อนี่ยหลวงปู่บุญมีเป็นผู้ใหญ่ท่านก็ประสานว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ เ, เป็นผู้ค่อยๆแบบเป็นพระแม่บ้านก็คือหลวงปู่บุญมีเป็นพี่ใหญ่ของพวกเราผู้รองลงมาก็คือหลวงปูล่ลีนี่แหละที่อยู่กับสมัยองค์หลวงตาอพอเรื่องอาหารการบริโภคนี่แหละสมัยก่อนนั้นโยมมนดาขององค์หลวงตา แล้วก็คุณแม่น้อมเป็นแม่ชีเป็นผู้ทาอาหารถวายพระสงฆ์ที่วัดป่าบ้านตาดท่านไม่ให้ใครทำนะแต่หลวงตาก็มอบให้โยมบรรดาท่านทำถ้าว่าใครไปยุ่งเยิอะนะ่ท่านจะดุคนที่ไปย้าไปยุ่งผู้เท่าปล่อยให้ผู้เท่าทำอย่างหลวงตาก็จะขู่ขู่คนอื่นแต่โยมบรรดาก็เป็นผู้ทาด้วยความเคารพรักจริงๆ ด้วยความศรัทธาจริงๆโยมบรรดาธรรมทำด้วยความจริงจังและจริงใจจริงๆที่หลวงพ่อเห็นนะสมัยนั้นท่านทำอาหารกับอาหารบ้านนอกของท่านท่านคิดได้ยังไงเมนูยังไงท่านก็ทำถวายพระแต่หลวงตาก็ไม่พูดไม่บนพวกเราก็ตั้งเจ็ดพะระฝรั่งมาเฮ้าห้าหกเจดแปดองค์ชั้นอะไรกับชั้นไม่บนอีกเหมือนกันเพราะเราถือว่าอาหารไม่ใช่ของจาเป็น การประพฤติปฏิบัติธรรมเท่านั้นแหละเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญ เ, เพราะนั้นพวกเราท่านทางหลาย เ, เมื่อเรามาเราได้ชันอาหารอย่างที่องค์หลวงตาท่านไม่ได้ใส่ใจเรื่องอาหารภายในวัดพอต่อมาต่อมาท่านี่แต่ตรดลงพ่อมาอยู่2512ันสนจนถึง2520กว่าโยมมันดาก็แก่ ตามการตามว้ของท่านจากนั้นเมื่ออายุของท่านแก่ท่านทำอาหารไม่ค่อยได้แล้วหลวงตาท่านก่อ น, นี่นะได้เรียกแม่เที่ยงนี่แหละจ่าชานเข้ามาบอกว่าเออโยมบรดาทำอาหารไม่ไหวแล้วนะสู่เจ้ารับภาระไปณนะที่นี่นะหลวงตาก็สั่งจากนั้นคุณแม่เที่ยงก็ได้ไปทำอาหารแทนโยมบรดาเอาไปทำที่บ้านที่นี่จากนั้น โยมทางกรุงเทพมาโยมผู้ใหญ่ทางกรุงเทพมาพักค้างปฏิวัติธรรมที่วัดป่าบ้านตาดท่านก็ได้ทานอาหารอย่างที่พวกเราทานนั่นแหละแกงฟักใสไก่แซงแกงใสใสฟักแกงฟักใสหมูแกงหมูใสฟักแกงขนุนใสฟักลักษณะอย่างนั้นอาหารผู้เท่าโยมบรรดาเป็นผู้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนี่แหละต่อมาก็เปลี่ยนอาหารทีนี้ โยมทางกรุงเทพมาเอ้ยเขามาถาม่หลวงพี่วันหลวงพี่อินเอ้ยอาหารทําไมแปลกๆมาคราวก่อนไม่เป็นอย่างนี้แมกมาคราวนี้เห็นอาหารแปลกๆโอ้อาหารคราวนี้หลวงตาให้สัตยทายญาติโยมทางชาวบ้านเขาไปทํำอ า, อาหารลูกหลานทำคราวนี้เขาก็เลยอาหารเป็นอาหารในเมืองในเมืองอไม่อาหารเหมือนไม่เหมือนคุณย่าไอ้คุณโยมบรรดารำล่ะ พยมบรรดาท่านท่านคิดได้ยังไงท่านก็ทําเราก็ไม่ว่ากันแต่คราวนี้เป็นอาหารมาจากชาวบ้านนะนะเขาชาวบ้านเขาเอาไปทำแล้วโอ้เนี่ยแต่ก่อนคืออาหารมันแปลกจากนั้นโยมแม่เทียงนี่ก็หาสมัครพักพวกลูกหลานในวงสาคัาญาตของของที่ใกล้เคียงมาช่วยกันทําอาหารถวายพระสงฆ์และจะตุก ป, ปัจจัยถวายพระพระสงฆ์จะไปที่ไหน จะเดินทางอย่างไรก็ไปบอกเออวันนี้จะไปนู้นจะไปนี่นี่แหละคุณแม่เที่ยงยจะเป็นผู้ดูแลเรื่องอาหารพระสงฆ์อย่างสุดด้วยศรัทธาหาที่ติไม่ได้อย่างพระสงฆ์มาจากต่างถิน่น เ, เข้ามาจะออกไปนี่ก็ไปแวะเอยคุณแม่เที่ยงออไปยังไงมาไงสบายดีเลยเพียงอย่างนี้แหละออคุณแม่เที่ยงก็จะเอาพวกน้ำสม้มน้ำาวานอะไรใส่รถวกเนยพวกไรใส่ลถ ถวายพระสงฆ์อันนี้คือเป็นประเพณีสรุปแล้วก็คือเป็นผู้มีน้ำใจเป็นผู้มีความโอบอ้อมอารีเป็นผู้มีศรัทธาจริงจังในพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทาอะไรไม่ได้ทําเพื่ออยากได้หน้าได้ตาอีกต่างหากทําด้วยความจัดทาจริงๆทําด้วยความเงียบสงบทั้งลูกทั้งพี่ทั้งน้องทั้งลูกทางหลานเพราะนั้นหลวงพ่อเห็นแล้วก็มีความ ศรัทธามีความเชื่อมีความเชื่อมั่นในศรัทธาของคุณแม่ในตระกูลของอาจารย์จักพงชัยพันธ์หลวงพ่อเห็นแล้วก็นี่แหละเพราะนั้นยังมีพระสงฆ์ครูบาอาจารย์พอทราบข่าวว่าคุณแม่เที่ยงจากไปต่างคนก็ต่างหลั่งไหลเข้ามาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นอย่างแต่ละคืนนี่ก็มีครูบาอาจารย์ ล้วนแล้วจะเป็นเจ้าของสำนักเจ้าอาวาสเกือบทั้งนั้นเลยหลังไหลเข้ามา เ, าเข้ามาเพื่อแสดงความจะว่าเสียใจหรือใช่แสดงใครเข้าแสดงออกมาซึ่งน้ำใจามาเห็นส่งเสียกันเป็นครั้งสุดท้ายเพราะนั้นขอให้คณะทายาทโยมลูกหลานทุกคนนะนี่แหละคือคุณงามความดีของคุณแม่เที่ยงที่ท่านได้ ดูแลพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อเองมั่นใจเกินร้อยว่าถ้าหาว่าคุณแม่เที่ยงไม่ได้ไปสู่สวรรค์แล้วใครจะได้ไปเพราะท่านทำเขาทำด้วยจิตศรัทธาจริงๆแล้วก็ทำกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตานีคือใครพวกเราก็รู้เต็มใจแล้วว่าคือพระอรหันต์กระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นประาตุให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นอยู่แล้ว เพระนั้นพ่อแม่ครูบ า, า อ, อ, อบาจารย์องค์อื่นๆล่ะครูบาอาจารย์องค์อื่นๆละ่ะท่านเข้ามาดิจอยู่ที่นี่เพื่อเข้ามาเพื่ออะไรเข้ามาเพื่อศึกษาศึกษาธรรมะจากนั้นก็ท่านก็นําธรรมะทำคําสอนขององค์หลวงตาของเราไปประพฤติปฏิบัติอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนี่แหละมีแต่ชมพานเจ้าอาวาสเกือบครั้งนั้นที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนาหรือ ม, มาในงานจะงานศพของคุณแม่ เที่ยงของพวกเราเพราะฉะนั้นถึงยังไงก็ตามชีวิตของพวกเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนถึงจะทําคุณงามความดีอันนั้นก็คือคุณงามความดีมันแยกกันถึงจะดีขนาดไหนกเ็เถอะแต่ร่างกายสังขารนี่มันไม่มีใครที่จะหลีกหลีหนีไปพน้นอย่างพระพุทธเจ้าพระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณ เ, เป็นผู้สยามูรู้แจ้งโลก จากขนาดนั้นสรีระร่างกายของพระพุธองค์ก็ได้แตกสลายลงสู่ดินน้ำไฟลมเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายอย่างเจ้าวพระคุณสมเด็จพระสังฆราชในองค์ปัจจุบันก็ได้ชิ่นพระสนเมื่อวานนีฮะวันที่24ตุลา56เวลา 19.30 นนี่แหละอันนี้ก็เหมือน เ, ออเหมือนกันและองค์หลวงตาของพวกเราละ่ะ และคุณแม่เที่ยงล่ะและพวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่ล่ะจะไม่มีใครที่จะไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมทุกคนต้องมีชีวิตต้องมีจุดจบเพราะนั้นก่อนที่จะมีจุดจบนั้นในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านหน่บอกว่าจะตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีให้ประกอบคุณงามความดีถ้าว่าผู้ใดประกอบคุณงามความดีเต็มเปี่ยมแล้วเป็นพระหันแล้ว ถึงจะตายยังไงก็ตายตายเวลาไหนก็ตายตายเวลาไหนก็ไม่เป็นไรถ้าหาว่าได้สําเร็จเป็นพระอรหันแล้วแต่ถ้าว่ายังไม่ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลหานั้นน่าคิดนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายให้ตรวจตราดูตนเองว่าข้าพเจ้าพร้อมอะไอย่างบุญกุศลเต็มเปี่ยมในจิตใจของพวกเราได้อย่างคุณงามความดีของเราพร้อมอะไอย่างถ้าเรายังไม่พร้อมก็ให้ประกอบคุณงามความดีอย่างที่พระพุทธเจ้า ที่ท่านมาฉันที่บ้านนายช่างทองในกรุงสาวัตถีลูกช่างทองไปปฏิบัติธรรมไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสยอย่างสุดซึง้งแต่พ่อของตนเองอยู่ในบ้า น, ไ ม, ไ, นไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจใฝ่ธรรมะแต่ลูกชายเห็นว่าถ้าหากว่านิมนต์จะเชิญพ่อหรือบอกให้พ่อไปก็คงไม่ได้พ่อคงไม่ไปแน่ๆเอาเถอะติดนิมนต์พระพุทธเจ้า มาฉันที่บ้านพ่อไม่มากว่าชักจะเกินไปจะแล้วในลูกชายวางแผนจากนั้นก็นิมนต์พระพุทธเจ้ า, ยยาพร้อมพระสงค์มาฉันพรตทหารที่บ้านพอพระพุทธองค์มาฉันที่บ้านพามผู้เป็นพ่อเนี่ยไม่ไปก็ไม่ได้จนพระพุทธเจ้ า, ยยาเสด็จมาที่บ้านแล้วพาม์ก็เข้าไปไปก็ไปฟังไปถวายพรตทหารพร้อมกับลูกๆเมื่อเมื่อพระพุทธองค์ฉันพรตทหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระพรองค์ก็ถามว่าพราหมณ์พราหมณ์จะได้เดินทางไกลนะพราหม์นี่จะได้เดินทางไกลนะได้เตรียมสเบียงเดินทางไว้ได้อย่างเครื่องสเบียงเดินทางได้เตรียมพร้อมไว้ได้อย่างและจะไปพักที่ไหนและจะไปค้างที่ไหนได้คิดไว้ได้อย่างพราหมณ์จะต้องเดินทางนะ เ, เพราะว่าพราหมณ์สรุปแล้วก็คือพรามณ์จะต้องตายนะ ก่อนที่จะตายนั้นได้เตรียมอาหารได้เตรียมเครื่องเสบียงเดินทางไว้เลยอย่างได้เตรียมบุญกุศลไว้เพียงพอหรือยังถ้าไม่ได้เพียงพอนั่นน่ะถ้าหาว่าไปข้างหน้าถ้าไม่มีเสบียงเดินทางน่ะพามจะต้องทุกข์รายากนะเพราะไม่ได้เตรียมพร้อมไปแบบไม่ได้เตรียมพร้อมเดินทางโดยที่ไม่ได้เตรียมพร้อมทุกนะลําบากนะพามได้ยินเทนั้นพามก็สะดุ้งโอ้ใช่เราไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลย จากนั้นมาเขาก็ต้องเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจใฝ่ในการกุศลรักษาศีลทําวัดไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาตามที่ลูกแนะนําสั่งสอนจากนั้นมาเขาก็ได้สําเร็จพระสูตาบัตินี่แหละอันนี้แหละพระพุทธองค์สอนว่าให้พวกเราก่อนที่จะเดินทางต่อไปภายภาคหน้าในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกในการที่เกิดอีกและตายแล้วไม่สูญนั้นพระพุทธองค์ ท่านไม่ใช่ว่าท่านพูดเอาขึ้นมาแบบไม่มีเหตุผลเพราะพระพองค์ได้ตัดสู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โครนต้นโพในวันเดือนหกเพนนนั้นน่ะพระพุทธองค์นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับฝืนซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพระไทยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่ง เมื่อรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วพระ อ, องค์ละลึกชาติขนหลังได้เียกว่าปุบเพทไดวาสานุสติญาณคือญาณเบื้องต้นอะปุบเพยในวาสานุจติญาณละลึกชาติผลหลังได้พอถึงเที่ยงคืนจู่ๆปะปาตญาตการจติของสรรพสัตวคือมองพระ อ, องค์แล้วก็มองสรพพสัตวมองเห็นว่าคนเราเกิดมามาจากไหนออกจากที่ใดจะไปไหนท่านมองดูแต่ละวิญญาณแต่ละคนจากนั้น พอจวนสว่างพระพระองค์ได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและว่าอาสาวกญาญาณญาณอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์ตัดกิเลสโลภโกรธโลงออกจากพระไทยแล้วไม่มาเกิดอีกแล้วชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายแล้วนี่แหละในวันเดือนหกเพ็ญพระพุทธองค์ได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมีญาณสามอย่าง ตอนหัวค่าปุบเพนิวาสานุสติญาณรละลึกชาติผลลังได้พอถึงเที่ยงคืนจุโตปะปาตญาณการจุติของสรรพสัตว์พอจวนสว่างอาสาวกยญาณญาณอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์ตัดกิเลสราคะโทสะโบหะออกจากพระไทยของพระองค์แล้วอันนี้คือพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลกปู่มั่นของเรา สายหลวงตาของเราองค์หลวงตาของเราท่านก็แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวว่าตายแล้วไม่สูนนะตายแล้วเกิดอีกนะร่างกายนี่มีป่าช้าแต่ใจไม่มีป่าช้านะในร่างกายของคนเรามีสองมีสองอยู่ในตัวของเรารูปประธรรมและนา ม, มธรรมรูปประธรรมคือร่างกายนา ม, มธรรมนันคือจิตใจนา ม, มธรรมรูปประธรรม รค ป, ประทแต่พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญเรื่องรูปนามธรรมมากกว่ารู ป, ประทับแต่โลกทั้โลกโลกของเราเนี่ยเขาให้ความสําคัญเรื่องรู ป, ประทับมากกว่านามธรรมเด่นั้นมันตรงกันข้ามอย่างนี้โรคโรค ก, กับธรรมมันตรงกันข้ามกันโรคโรคทั้งหลายเขาบอกว่ากายคือรูปธรรม แต่พระธรรมคําสอนของพระเทเจ้าอ่ะให้ความสำคัญเรื่องนามธรรมามากกว่าเพราะฉนั้นในถธรรมคําสอนที่พระพุทธองค์ตรัสว่ามโนปุพังขามมาธรรมามโนเสรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจแต่ทางโลกของเขานี่เขาบ ว, ว่ากายร่างกายเป็นใหญ่มองเห็นแต่ร่างกายแต่ใจนามธรรมานั้นมองไม่เห็น แต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะ่ะถ้าจะเปรียบเทียบให้ชัดเจนว่าร่างกายเนี่เหมือนกับรถแต่นามธรรมาเหมือนกับคนขับรถใจนี่คือเหมือนกับคนขับรถแต่ร่างกายของคนเราเหมือนกับรถแต่รถกับคนขับรถถึงจะอยู่ด้วยกันแต่ไม่ไม่ติดกันมันคนละอย่างกันแต่หลักธรรมคำสอนท่านให้ความสําคัญคนขับรถมากกว่ารถ แต่โลกทางหลายเขาให้ความสำคัญรถมากกว่าคนขับเพราะนั้นถ้าจะเปรียบเทียบพูดให้ชัดเองว่ารถคันนี้โซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วโดยโซเฟอร์โซเฟอร์จะพาไปที่ไหนรถคันนี้ก็จะไปตามที่โซเฟอร์ต้องการอยากจะให้ไปถ้าพูดอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดนี้ก็เหมือนกันกายกับใจของเราก็ลักษณะอย่างนั้นแหละ นี่แหละถ้าหากว่าพวกเราทําสมาธิทําจิตใจให้เป็นหนึ่งให้เป็นหนึ่งได้พวกเราจะรู้ได้จิตที่เป็นอัปปนาสมาธิเท่านั้นแหะจึงจะรู้ได้ว่ากายกับใจเป็นคนละอ่านกันถ้าเราจะคาดคะเนนประมาณการหรือเดามันเดาไม่ออกถ้าหากว่าทําจิตให้สงบเป็นหนึ่งจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิเท่านั้นจึงจะรู้ได้ว่ากายกับใจเป็นคนละอ่านกันคณิตสมาธิเนี่ คือพระพุทธเจ้า ท, ที่ท่านสอนที่ท่านบอกกล่าวท่านนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแต่หลวงปู่มั่นต้นตระกูลของพวกเราที่องค์หลวงตาที่ท่านไปศึกษาท่านเข้าไปตะก่อนหลวงตาของเราเนี่ก็ท่านได้เป็นมหาท่านก็เข้าไปศึกษากับหลวงปู่มั่นแต่ท่านก็กำหนดลมหายใจเข้าออกเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่ท่านพาดาเนิน แต่หลวงปู่มั่นบอกว่าให้ภาวนากําหนดพุทโธสำทับเข้าอีกนะถ้าถ้าเอาแต่กําหนดลมหายใจมันหลุดได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายมันหลงหลืมได้ง่ายให้กําหนดพุทโธเข้าด้วยนะแต่ในหลวงตาของเราก็ได้เอาพุทโธสำทับกับลมหายใจเข้าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทขาขวาพุทขาซ้ายโทเวลาเดิน เ, เวลาปัดกวาดเวียงขวาพุทเวียงซ้ายโธ ท่านบอกว่ามีสติสัมปชัญญะออกำหนดตั้งจิตอธิษฐานไว้เลยว่าข้าพรเจ้าจะไม่ให้เผละนะเอ อ, องค์หลวงตาท่านพูดอย่างนั้นจากนั้นพอท่านบอกว่าวันสองสามสี่วันแรกโอ้โหมันหนักมากจริงๆต่อไปแล้วกออ็พอบังคับจิตใจอยู่ได้สบายจนจิตใจนิ่งไม่ลืมไม่เผลอจิตจากนั้นใจท่านก็เป็นสมาธิได้ถึงเข้าสมาธิได้นั่งท่างคืนได้ทไมน่ ในองค์หลวงตาท่านบอกนะนั่งทั้งคืนได้พ อ, อนั่งทั้งคืนได้ไปกราบหลวงปู่มั่นเท่าว่าเป็นไงมหาโอติดใจสงบแน่นปึุงเลยครับผมนั่งได้ทั้งคืนท่านบอกอถ้ามันสงบแล้วก็พิจารณานะนะนะนำมาพิจารณานะออกทางวิปัสสนาค้นคว้านะให้พิจารณาทนนี่แหละธาตุสีดินน้ำลมไฟหรือว่าพิจารณากระดูกหรือพิจารณา เกสากรรมฐานหนี่แหละหลวงตาหลวงปู่ท่านให้พิจารณาแต่หลวงตาท่านบอกว่าพอหลวงปู่มั่นให้นํามาพิจารณามันไม่ยอมออกเท่า น, น, นั้นเ่หลวงตาท่านพูดชัดเจนนะอันนี้ใหาพวกเราฟังเอาไว้ถ้าพวกเราแต่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่เข้ามาสู่ภายในหลวงพ่อมั่นใจสําหรับศรัทธาญาติโยมที่อยู่วงนอกวิธีการปฏิบัติธรรมอย่างไรอันนี้หลวงพ่อบอกให้กับคณะศรัทธาญาติโยมที่อยู่วงนอกที่ยัง ไม่ได้ยินไม่ได้ศึกษานะหลวงตาท่านก็บอกท่านท่านนั่งภาวนาพอจิตมันไม่ยอมออกหลวงปู่มั่นก็ขู่นะขู่ว่าสมาธิเหมือนกับเนื้อติดฟันท่านเองจะไปติดอยู่ทำไมไนี่หลวงปู่มัน่นท่านสอนจากนั้นหลวงตาก็ได้นำมาพิจารณาเมื่อพิจารณาแล้วกันนะจึงรู้ว่าการพิจารณาเหนือกว่าสมาธิ สมาธิเป็นการนอนเสียไปรัเวลาอยู่เฉยๆนะนี่แหละอันนี้ก็คือแนวที่ทีการปฏิบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนสิทธาอนุสิ์เพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นองค์หลวงตาท่านจึงให้ความเคารพในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขององค์ท่านเวลาท่านมากราบหลวงปู่มั่นท่านจะไปกราบที่วัดจุตทาวารก็เถอดนะเวลาท่านไปกราบเนี่ยพวกเราเห็นแล้วซึง้งในจิตใจเพราะท่าน กาบและเสร็จแล้วท่านปนมมือนั้งคิดล้ำลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของท่านนี่แหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะศรัทธา ญ, ญาติโยมทั้งหลายนี่แหละการแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรื่องสมาธิเนี่ยที่องค์หลวงปู่มั่นท่านบอกเวลาหายใจเข้าพุเวลาหายใจออกโถเวลาหายใจเข้าพุ เวลาออกโถเมื่อเราภาวนาจิตใจของเราไม่เผอไม่ไปที่อื่นจิตใจของเราจะรวมการสงบจิตของจิตมีอยู่สามขั้นขณิกะสมาธิคือจิตรวมประเดียวประเดา เ, เสียดเสียดอันนี้ว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิเมื่อเราบังคับให้จิตใจมันอยู่สติกับจิตเป็นคล้ายๆว่าควบคุมควบคุมสติควบคุมจิต จิตของเราใจของเราอยู่ในคอนโทนอยู่ในสติเป็นผู้ควบคุมแต่เราได้ยินเสียงได้ยินเสียงแต่ตาของเราหลับอยู่แล้วละ่ะเสียงอะไรมาเราได้ยินแต่ว่าใจของเราไม่ไปตามเสียงนั้น เ, เราไม่สะดุ้งไม่สะเทือนเพราะเรารู้อยู่อันนี้คือว่าอุปจารสมาธิแต่เมื่ออับปัญนาสมาธิจิตใจจะรวมสงบลงดิ่งลงไปบางคนก็เหมือนกระตกเหวตกบอก่อบางคนก็ เหมือนกับปูฟว่าบหมดถึงถึงฐานเข้ามาล้มันนิ่งนิ่งสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอะไรอัจิตเป็นอะไรสติเป็นอันนั้นสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนั้นคืออัปปนาสมาธิเมื่อเป็นจิตเมื่อเป็นอัปปนาสมาธินั้นรู้ได้ด้วยตนเองว่าอันไหนเกิดอันไหนตายเอกายกับใจเห็นได้ชัดไม่ต้องถามใคร เมื่อตายร่างกายตายจิตใจต้องไปเกิดอีกเห็นได้ชัดไม่ต้องถามใครเมื่อจิตเป็นอัปปนาสมาธิเพราะฉะนั้นขณะที่จิตเป็นอัปปนาสมาธิมันจะอยู่นิ่งจากนั้นก็ถอนขึ้นมาพอถอนขึ้นมาก็เป็นอุปจารสมาธิเมื่อเป็นอุปจารสมาธิแล้วก็นํามาพิจารณาที่เป็นอัปปนาสมาธินั้นพิจารณาไม่ได้นะมันนิ่งแต่เมื่อเมื่อคนนอนหลับอย่างัไงละ่ะ แต่อุปจารสมาธินี่ เ, เหมือนกับคนฟื้นขึ้นมาและมีสติเราจะทําอะไรเราจะทํางานอะไรด้วยสตินี่แหละอันนี้เมื่ออุปจารสมาธิเราก็พิจารณาเกสาผมโลมาขนนขขาทันตาปันใต้โจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกพิจารณาขี้ขายว่าร่างกายสังขารของเรานี่มีธาตุดินธาตุสีดินน้ําลมไฟเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่น ใจของเรามาหลงมาหลงร่างกายว่าร่างกายเป็นตัวตนของเราจะอยู่ด้านชั่วฟ้าดินชลายแช่ไม้ใจเทนี่เอาใจที่มันสงบนี่ยที่ใจเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยมาพิจารณากายเมื่อพิจารณากายเห็นกายได้ชัดมันหลงอะไรหลงกายใจมันหลงกายไม่ใช่หลงอย่างอื่นนั้นหลงกายในเมื่อหลงกายแล้วเทนี่มันก็หลงอย่างอื่นหลงเงินคําทรัพย์สมบัติหลงยศถาบรดาศักด์ หลงชื่อเสียงเกียรติเกียติยศหลงว่าตัวเองจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินหลงว่าตัวเองจะเป็น เ, เจ้าจดเจ้าอย่างเรื่องต่างๆทั้งหลายทั้งปวงตัวเองจะเป็นใหญ่ผลที่สุดมันจะเป็นใหญ่ที่ไหนอีกสักวันหนึ่งนะ่ะร่างกายของเรามันจะลงสู่ดินน้ำผมลงไปตายไม่มีอะไรเหลือเพราะนั้นใจของเรา ขนาดร่างกายของเรายังไม่ใช่ตัวตนของเราจะเผาไฟทิ้งอยู่แล้วสิ่งอย่างอื่นจะเป็นของเราได้ยังไงใจท่นนี้มาย้อนถึงใจมาย้อนถึงใจใจก็พิจารณาว่าเราเป็นหลงทาไหมจากนั้นใจของเราก็บางทีก็เกิด เ, เกิดความพอใจไม่พอใจความพอใจไม่ก็เกิดขึ้นในใจความไม่พอใจก็เกิดขึ้นในใจพอใจไม่พอใจพอใ จ, อใ จ, อใจไม่พอใจมันก็กใจะไ้จิตใจ พราในสุดความพอใจไม่พอใจอันนี้ก็คือเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอีกเหมือนกันเพราะนั้นมาพิจารณาถึงตัวผู้รู้คือตัวใจเมื่อพิจารณาถึงตัวใจนั่นน่ะมันไม่ปล่อยวางที่ไหนแล้วปล่อยวางที่ใจเท่นจะไปยึดมัน่นถือมั่นที่อะไรเพื่ออะไรต้องการอะไรมันจะมีอะไรนี่แหละการพิจารณาธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอให้พวกเราคณะจต่าญาติโ ย, ยม ทุกท่านสรุปแล้วก็คือธรรมะทางหลายสู่เข้าสู่จิตใจเรีว่าเบื้องต้นว่ามโนปุพังขา ม, มาธรรมามะโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสาเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นอย่างคุณแม่เที่ยงของพวกเรานี่ก็เหมือนกันนี่แหละเดี๋ยวนี้ดวงวิญญาณของท่านออกจากร่างแล้ว มีแต่ร่างของท่านที่ยังอยู่อีกสักวันหนึ่งอีกสักไม่นไม่กี่นาะทีชั่วโมงต่อไปภายภาคหน้าพวกเราก็คงจะไปชุมเพิงเผาไฟทิ้งร่างกายแต่นามธรรมของท่านออกจากร่างในเมื่อออกจากร่างแล้วนั่นะบุญกุศลที่ท่านได้ทาเอาไว้การสั่งสมบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงเอาไว้บุญกุศลนั่นแจะพานำจิตใจของท่านไปสู่ เมื่รโลกภายภาคหน้าถ้าว่าบุญกุศลมีแล้วคนนะั้นแหะไปสวรรค์ชั้นพรมไปเป็นเทวบุตรเท ว, วดาอินพรมไปได้ถ้าว่าพวกเราไม่ได้สั่งสมบุญกุศลกันนะตกนรกหมกไหมไปตามบาปอกุศลที่ตนได้ตนเองได้กระทําเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตว์ทายญาติโยมทุกทกท่านนะาการสั่งสมบุญทั้งหลายบุญให้พวกเรายัางหลักทำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสว่า กายกับใจใจกับกายร่างกายตายแน่นอนแต่นามธรรมาคือส่วนจิตใจนั้นจะไปสู่ความสุขความเจริญไม่ตายอย่างที่องค์ลงตาว่ากายมีป่าช้าแต่ใจไม่มีป่าช้าเพราะนั้นขอให้พวกเรานาสร้างบุญสร้างกุศลกาสู่สจิตใจเมื่อบุญกุศล้าสู่สจิตใจแล้วมีแต่ความสุขกายสบายใจสุขกายก็ไม่เป็นไรหรอก กายมันก็ต้องเป็นอย่างตามสภาพของมันให้สุขใจไปอยู่ในสถานที่ใดถ้าใจของเรามีสุขแล้วมีธรรมอยู่ในใจแล้วมีแต่สุขสุขสุขหนอสุขหนอฮะแต่ถ้าว่าเราไม่มีความไม่มีธรรมอยู่ในใจถึงจะมั่งมีสีสุขขนาดไหนก็เถอะใจของเรามีความทุกขนะ์น่ะมันก็ทุกทุกทุกใจของเรานี่ยิ่งกว่าทุกกายอีกนะ เพราะนั้นหลักธรรมคาสอนที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาแนะนําสั่งสอนพวกเราก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะประกอบคุณงามความดีอย่างคุณแม่เที่ยงของพวกเราที่ท่านจากไปในวันนี้หลวงพ่อเองก็มั่นใจท่านประกอบคุณงามความดีโดยสม่ําเสมอเสมอต้นเสมอปลายอย่างที่หลวงพ่อได้เห็นตั้งแต่หลวงพ่อเป็นพระน้อยพระหนุ่มจนมาถึงบัดนี้แหละ เห็นว่าเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้เที่ยงตรงต่อศีลธรรมเชื่อมั่นต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เชื่อมั่นต่อทานศีลภาวนาของของท่านเองด้วยอำนาจคุณพระศีรัตน์ไรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้คุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายและก็ขอให้ดวงวิญญาณของคุณแม่เที่ยง ถ้าหากว่ายังไม่พ้นทุกสิงสถิตยอยู่ณถิ่นใดขอขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติพี่น้องคณะสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มาร่วมกันทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ในวันนี้และก็ถ้ามีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยอํานาจพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายคุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลาย ท, ที่มาร่วมประชุม เพลิงในวันนี้ก็เหมือนกันก็ ข, ขอให้มีความสุขความเจริญสุขกายสบายใจปราถนาสิ่งใดก็อยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ ข, ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกทุกท่านเทินสาธุ